บทที่สการทดสอบเกี่ยวกับสภาพสถานที่ในโลกนี้มีเรื่องเกี่ยวกับกายที่สองหรือกายทิพย์และสภาวะที่สองหรือโลกทิพย์นั้นทุกๆครั้งที่มีการสนทนากันมาจะมีคำถามที่จะต้องมีผู้ถามอยู่เสมอว่ากายทิพย์ไปไหนหรือว่าโลกทิพย์อยู่ที่ไหนในเรื่องนี้ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นเป็นส่วนตัวดังนี้คือ สิ่งแวดล้อมในสภาวะที่สองดังกล่าวมานั้นน่านจะแบ่งได้เป็นสามชนิดคือชนิดที่หนึ่งได้แก่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโลกนี้ภาษาอังกฤษว่าเอียแนวข้าพเจ้าจะขอเรียกประเภทหนึ่งไปพลางๆก่อนเพราะยังหาคำที่เหมาะสำหรับเรียกให้ชัดเจนไม่ได้ประเภทนี้ได้แก่สภาวะแวดล้อมที่มีอยู่ในโลกของเรานี้ ในขณะที่และสถานที่ที่ดาเนินการทดลองนั้นเมื่อกล่าวถึงสิ่งแวดล้อมชนิดนี้ก็เป็นที่ทำให้ทุกคนพอที่จะเชื่อได้ตามสมควรว่าเป็นเรื่องจริงไม่มากก็น้อยเพราะอย่างน้อยสถานที่ที่อ้างถึงเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงการที่การที่สองของเราได้ไปยังสถานที่ที่กล่าวมาแล้วในประเภทนี้จึงเป็นเรื่องที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ มันอาจเป็นสถานที่ที่เรายังไม่เคยไปไม่เคยเห็นหรือไม่เคยได้ยินมาก่อนก็จริงแต่ก็ยังพอเชื่อได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงๆแล้วเมื่อได้มีการเดินทางไปพิสูจน์กันแล้วก็ควรจะต้องได้ผลคือมีลักษณะตามที่เป็นจริงตรงกันกับที่เห็นในสภาวะที่สองของกายที่สองดังนั้นถ้าหากว่าได้มีการทดสอบกันแล้วไม่เป็นความจริง คือลงรอยกันไม่ได้ก็แปลว่าประสบการณ์ครั้งนั้นๆใช้ไม่ได้ท่านผู้อ่านจะสังเกตได้ว่าประสบการณ์ครั้งที่แล้วๆมาในบทที่สามของข้าพเจ้าอยู่ในประเภทที่หนึ่งนี้ทั้งสิน้นแต่ก็น่าเสียดายที่เท่าที่เราได้ทราบมาในรายอื่นๆ น, นั้นประสบการณ์เช่นว่านี้ก็ได้มีบันทึกไว้น้อยเหลือเกินอันที่จริง เมื่อดูเผลนเรื่องเช่นนี้อาจคล้ายกับว่าจะเป็นของง่ายคือสามารถพิสูจน์กันได้ง่ายๆและผู้ที่มีประสบการณ์เองก็คงจะจดจำอะไรได้ง่ายๆฉะนั้นบางท่านอาจจะคิดในท น, นองว่าอา้าวสมมติว่าคุณอยากจะไปเยี่ยมเพื่อนคนหนึ่งซึ่งชื่อจอร์จทางกายที่สองท่านก็ถอดกายที่สองออกไปสิเมื่อถอดแล้วก็ตรงไปหาเขาไปติดต่อกันให้รู้เรื่อง แล้วก็กลับมารายงานเท่านั้นเองไม่น่าจะยากเย็นอะไรเลยอันที่จริงถ้ามันง่ายอย่างนั้นได้ก็คงจะดีไม่น้อยแต่ความเป็นจริงแล้วทั้งที่ถอดกานที่สองออกไปได้แล้วเรื่องมันก็ไม่แสนง่ายอย่างนั้นในขั้นแรกข้าพเจ้าขอให้เราคำนึงถึงปัญหาสักสองข้อก่อนคือแนวทิศทางและการหาจุดตาแหน่งลองสมมติกันก่อนว่า ทั้งทงที่ท่านอยู่ในกายที่หนึ่งคือกายเนื้อนี่เองท่านก็สามารถจะเหินขึ้นไปบนอากาศได้แทนที่จะต้องเดินไปหรือว่าขึ้นรถไปมาไหนตามปกติท่านรู้ว่าตนเองมีความสามารถเช่นนี้แล้วและบาดนี้ก็กําลังคิดว่าจะเดินทางไปหาเพื่อนที่ชื่อจอร์จโดยวิธีการเดินทางแบบใหม่นี้ดูขณะนี้สมมุติว่าบ้านของท่านอยู่ที่ชาญเมืองใหญ่แห่งหนึ่งส่วนจอร์จอาศัยอยู่ในเมือง ทางอีกด้านหนึ่งไกลออกไปท่านกําลังจะออกเดินทางในตอนบ่ายวันที่มีอากาศปล่อยโปร่งวันหนึ่งก็เป็นธรรมดาที่ท่านจะต้องเหินขึ้นไปบนอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางต่างๆเช่นต้นไม้ตึกรามต่างๆเป็นต้นตเนื่องจากท่านยังไม่ค่อยจะมั่นใจตนเองนักก็คงจะยังไม่เหินขึ้นสูงเกินไปเพราะอย่างน้อยท่านก็จะต้องคอยสังเกตเครื่องหมายภูมิประเทศต่างเพื่อกาหนดทิศ ท, ทางและจุดหมายข้างหน้า ถ้าเหินสูงเกินไปก็คงจะเป็นการยากที่จะสังเกตได้เป็นอันว่าท่านคงจะต้องรอยอยู่ต่ำๆประมาณร้อยฟิตทีนี้เอาละ่ะจะไปทางไหนก็ดีขั้นแรกท่านก็คงจะต้องหาจุดต่างๆที่คุ้นตาดีเมื่ อ, อยังอยู่บนพื้นดินเบื้องล่างตอนนี้ละ่ะจะเกิดปัญหาซึ่งท่านจะไม่ได้นึกฝันมาก่อนเลยในระหว่างนี้ท่านคงจะไม่ได้เอาเข็มทิศ ต, ติดตัวขึ้นมาด้วย แต่ถึงแม้ว่าจะเอามามันก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้มากนักเพราะทัศนียภาพเบื้องล่างของท่านขณะที่ท่านมองลงมานี้มันจะไม่เหมือนกับที่ท่านเคยเห็นเมื่อตอนอยู่เบื้องล่างเลยแต่ท่านก็คงจะไม่ย่อท้อในไงขึ้นมาแล้วก็จะต้องลองกันดูทีท่านก็จะตัดสินใจว่าลอยตัดผ่านตัวเมืองไปเลยโดยกำหนดภูมิประเทศใหญ่ๆที่ชินตาเป็นเครื่องหมายไว้ก่อน ท่านคงจะปลอบใจตนเองว่าเราได้เคยขับรถไปมาตั้งหลายครั้งหลายหนแล้วทำไมจึงจะไปไม่ถูกเป็นอันว่าท่านได้ลอยผ่านถนนและบานช่องมาเรื่อยๆและยิ่งนานเขาก็ชักจะรู้สึกตัวว่าออกจะงงๆมากขึ้นทุกทีส่วนที่คิดว่ามันดูง่ายดีนั้นพอเอาเข้าจริงๆมันชักจะไม่เป็นเช่นที่คิดไว้เสียแล้วเลียวไปเหลียวมาดูสิ่งต่าง มันไม่ค่อยจะคุ้นตาเลยลองหันกลับมาดูว่าบ้านของท่านจะอยู่ที่ไหนก็ยิ่งประหลาดใจมากขึ้นเพราะมองไม่เห็นเสียแล้วและกำหนดก็ไม่ใกล้จะถูกอีกด้วยว่ามันควรจะอยู่ทางทิศไหนหรือแนวไหนท่านงงอยู่ครู่หนึ่งจึงคิดออกว่าเหตุผลต้นปลายเป็นมาอย่างไรคือท่านเคยอยู่ติดดินมาแต่เดิมในสภาวะเช่นนั้น การมองหรือเห็นและกำหนดอะไรก็เป็นไปในระดับเสมอตัวหรือไม่ก็มองขึ้นนานๆครั้งทัศนวิสัยอันเกิดจากการมองในระดับเสมอตัวและมองขึ้นดังกล่าวนั้นไม่มีส่วนสัมพันธ์กับการมองลงดังเช่นในเวลานี้เลยลองคิดดูง่ายๆก็ได้ว่าสมมติว่าท่านดูภาพถ่ายภูมิประเทศแถบใกล้ๆบ้านของท่านโดยถ่ายลงมาจากที่สูงตรงๆเช่นนี้ท่านจะต้องใช้เวลาสักเท่าใด และจะต้องใช้ความสังเกตและการคำนวณอีกเท่าใดกว่าจะกำหนดหรือจำบ้านของท่านได้จากหลังคาลงมาเรื่องการกำหนดทิศทางและตำแหน่งของสิ่งที่เราคุ้นเคยเมื่อตอนที่เราอยู่บนดินก็เป็นเช่นเดียวกันนี้คือมันจะเป็นทัศนียภาพที่ท่านไม่ได้นึกฝันว่าจะเป็นเช่นนั้นมาก่อนเลยหลังจากงวงอยู่พักหนึ่งท่านก็คงจะหาบ้านของจอร์จจนได้ ซึ่งก็คงจะไม่ง่ายนักเพราะท่านเคยเห็นบ้านของเขาในระดับสายตาแต่ไม่เคยมองลงมาโดยเห็นหลังคาก่อนเลยและบางทีท่านอาจจะเห็นทางหลังบ้านของเขาก่อนก็ได้ซึ่งเมื่อตอนอยู่ติดดินนั้นท่านก็จะต้องเข้าไปทางหน้าบ้านอย่างแน่นอนความจริงเรื่องเช่นนี้ไม่ใช่ของใหม่เลยเพราะเคยมีตัวอย่างมาบ่อยๆที่นักบินบางรายพอใจลอยเผลอไปชั่วประเดียวเดียวเกิดหลงทางกลางอากาศเอาง่าย ท, ทั้งที่เป็นเวลากลางวันแส ก, แ, สกและ ท, ท, ทั้งที่ขับเครื่องบินมาจนจะถึงสนามบินอยู่แล้วนั่นเองในช่วงระยะที่ขาดสติคือลืมกำหนดทิศ ท, ทางและจุดหมายนั่นเองพอรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งอะไรอะไรรอบด้านดูมันแปลกประหลาดไปหมดคล้ายๆกับว่าตนบินหลงเข้าไปในเมืองที่ไม่เคยมาเลยฉะนั้นบางครั้งหมดทางเข้าจริงๆใช้สายตากาหนดไม่ได้ต้องหันกลับมาใช้เข็มทิศ และเครื่องมือกำหนดจุดหมายกันใหม่อีกจากตัวอย่างข้างต้นนั้นสมมุติว่าเพื่อนของท่านอยู่ห่างออกไปในระยะเมืองเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเพื่อนของท่านอยู่ห่างออกไปมากกว่านั้นความยุ่งยากก็จะทวีมากขึ้นอีกหลายเท่าอย่างแน่นอนและโดยเฉพาะเป็นสถานที่ที่ท่านไม่เคยไปเห็นลักษณะบ้านของเขามาก่อนเลยทั้งนี้นอกจากว่าเขาจะเอาสิ่งที่เห็นชัดๆ ทาเป็นรูป ก, กากบาทขนาดใหญ่ไว้บนหลังคาบ้านหรือมีไฟดวงใหญ่ขนาดหลายพันหลายหมื่นแรงเทียนจุดไว้ให้เป็นที่สังเกตเท่านั้นซึ่งในกรณีเช่นนี้ถ้าเป็นไปได้ก็คงจะเป็นการง่ายขึ้นอีกมากทีนี้เรากลับมาพูดถึงเรื่องของจริงๆหรือว่าไม่เคยมาก่อนคือการเดินทางไปไหนๆด้วยกายที่สองเพื่อจะได้ลองเปรียบเทียบ สถานการณ์ความยากง่ายกันดูตอนนี้ท่านไม่มีกายเนื้ออย่างเคยแล้วและกําลังลอยอยู่เหนือพื้นดินประมาณร้อฟิตขณะนี้เป็นเวลากลางวันมีแสงแดสว่างจ้าแต่ระยะแรกๆสายตาของท่านจะยังไม่ดีนักเพราะอย่างน้อยท่านก็ยังไม่คุ้นเคยกับการเห็นด้วยกายชุดใหม่นี้จึงไม่ทราบว่าจะหาทางเห็นด้วยวิธีใดในสภาวะเช่นนี้ ท่านคงจะต้องคลำหาขนทางไปอย่างช้าๆและคงจะต้องเสียเวลาไปด้วยความยากลาบากไม่น้อยถ้าท่านจะใช้วิธีดังกล่าวมาแล้วนี้แต่อันที่จริงมันก็ไม่จำเป็นอย่างใดที่ท่านจะใช้วิธีนั้นเพราะมีวิธีที่ดีกว่าและเร็วกว่ามากด้วยถ้าท่านรู้วิธีหรือจับเคล็ดได้เสิแล้วก็จะได้ทราบว่าความสามารถในการหาทิศหาทางและจุดตาแหน่งนั้น มีอยู่สมเร็จรูปเรียบร้อยแล้วในตัวของเรานี่เองคือว่าท่านจะต้องหัดคิดคิดถึงคนที่ท่านจะไปหานั้นอย่าไปคำนึงถึงสถานที่ว่าควรจะอยู่ที่ไหนถ้าท่านคิดได้ชำนาญพอแล้วในไม่ช้าท่านก็จะไปถึงคนผู้นั้นได้ทันทีในระหว่างที่ไปนั้นถ้าท่านอยากจะดูภาพภูมิประเทศเคลื่อนไหวผ่านไปด้วยก็ได้แต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่า มันออกจะทำให้ไม่ค่อยสบายนักเพราะเราจะรู้สึกว่าตัวเราพุ่งทะลุตึกรามบ้านช่องและต้นไม้ต่างๆไปได้ดังนั้นการไม่ต้องเอาใจใส่สิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางจะเป็นความสะดวกใจกว่าเพราะออกจะเป็นการยากเต็มทีที่จะลบล้างความเคยชินเมื่อครั้งอยู่ในกายเนื้อให้หายไปได้ความเคยชินเช่นนั้นจะทาให้ท่านคิดว่า ต้นไม้และตึกรามเหล่านั้นเป็นของทึบและแข็งจนเราไม่สามารถจะผ่านทะลุไปได้ข้าพเจ้าเองทำอะไรอะไรก็อดคิดไปตามความเคยชินดังเช่นว่านี้ไม่ได้สักทีเวลาไปไหนนพอคิดว่าจะกลับก็หันหลังกลับไปทางประตูพยายามจะเปิดประตูออกไปให้ได้แต่แล้วก็จับลูกบิดประตูไม่ติดมือได้เลยอดโมโ oh หตัวเองไม่ได้ที่ไม่รู้จักจาสักที เลยพุ่งเอาหัวจนกำแพงให้ทะลุผ่านไปเลยเพื่อจะได้เป็นเครื่องเตือนใจตนเองว่าบัดนี้เราไม่ได้มีกายเนื้อเหมือนเมื่อครู่นี้แล้วแต่เชื่อไม่ว่าในความสะดวกอย่างมหาศาลของวิธีการเดินทางแบบนี้ก็มีความไม่สะดวกแฝงอยู่จนได้ทั้งทั้งที่ระยะทางไม่มีความหมายเลยสำหรับการไปไหนมาไหนแบบนี้ก็ตามแต่ระบบนี้ก็มีความไวและถูกต้องเที่ยงตรงอย่างเหลือเกิน หรือว่าจนเหลือเกินจริงๆคือในระหว่างนั้นท่านจะต้องมีสติคอยระวังความคิดให้ดีอย่าให้เผลอตัวได้เป็นอันขาดเพราะชั่วแว บ, บเดียวที่เราเผลอไปคิดถึงใครหรือคิดถึงอะไรอื่นเข้าเท่านั้นระบบการเดินทางแบบนี้จะไหวตัวทันทีในชั่วเวลาเสี้ยวของวินาทีผลก็คือจะทำให้ท่านเชยออกนอกทางไปไหนตอนไหนเรื่อยเปื่อยไปอีกไกลทีเดียว ในบางกรณีหรือบ่อยครั้งที่เกิดการขัดกันระหว่างจิตสํานึกกับจิตเหนือสํานึกเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางนี้จะทําให้เกิดการสับสนยุ่งเหยิงกันใหญ่ทีเดียวและเพราะเหตุนี้เองจึงกล่าวได้ว่าในการพิสูจน์ด้วยการเดินทางแบบนี้ในรายของข้าพเจ้าเองหรือในรายอื่นๆก็ตามบ่อยครั้งต้องล้มเหลวและเกิดความสับสนยังจับต้นชนปลายไม่ติดและในที่สุด ก็เกิดทัศนคติที่ผิดๆแก่คนที่น้อมใจไปในทางไม่เชื่อมาแต่เดิมแล้วท่านลองดูก็ได้คือลองคิดถึงเรื่องเหตุการณ์หรือบุคคลหรือสิ่งของใดๆโดยให้จิตอยู่นิ่งๆในเรื่องนั้นสักนาทีหนึ่งแล้วท่านจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของง่ายเลยต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของความคิดสอดแทรกในระหว่างการทดลอง ซึ่งทำให้เกิดการหลงทิศทางขึ้นได้วันที่12เมษายน1963เวลาบ่ายอุณหภูมิ40องศาฟาเรนไฮน์ความชื้นต่ำประลอดสูงข้าพเจ้าใช้วิธีผ่อนคลายโดยการฟังเสียงนับจากเทพพักหนึ่งก็รู้สึกความวูบวาบซูซาปรากฏขึ้น เมื่อนับไปได้ถึงส1อต่อจากนั้นก็รู้สึกว่าหลุดออกมาได้อย่างง่ายดายตอนนั้นคิดว่าจะไปเยี่ยมเยยนเพื่อนสักหน่อยจึงใช้วิธีพุ่งแขนออกไปข้างหน้าเพื่อให้เกิดแรงมโนภาพในจิตทำให้การเดินทางเป็นไปโดยสะดวกครั้งนี้รู้สึกว่าใช้เวลานานผิดปกติซึ่งเป็นระยะทางประมาณสาไมล์หรือประมาณหกิโลเท่านั้นข้าพเจ้าจึงหยุดแล้วมองไปรอบๆตัว เพื่อจะได้รู้ว่าตอนนี้ได้มาอยู่ที่ไหนกันแน่ก็ปรากฏว่าตนเองกำลังนั่งอยู่บนชายคาของบ้านสองชั้นหลังหนึ่งมองลงไปข้างล่างดูคล้ายๆกับว่าจะเป็นสวนหลังบ้านของใครคนหนึ่งเะนั้นขณะนั้นได้มีหญิงผู้หนึ่งกำลังทำงานอยู่ในสวนดังกล่าวถือไม่กวาดอันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้ากาลังนั่งดูเพลยอยู่นั่นเองหญิงผู้นั้นก็หันหลังเดินกลับจะเข้าบ้าน จะด้วยเหตุผลกลใดก็ไม่ทราบพอเธอเดือนจะรับชายคาเข้าไปก็บังเอิญเหลือบขึ้นมาข้างบนหลังคาเลยเห็นข้าพเจ้าเข้าพอดีปรากฏว่าเธอแสดงท่าตกใจรีบบิ่งกระหืดกระหอบเข้าไปในบ้านและปิดประตูดังปังใหญ่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าถ้าจะไม่เข้าทีและคิดว่าตนเองไม่ควรจะทาให้หญิงผู้นี้ต้องตกใจโดยไม่สมควรจึงคิดว่าจะต้องกลับเข้าร่างเสีที พร้อมกับที่คิดได้ก็กลับมาถึงทันทีครั้งนี้ใช้เวลาออกไปนานเจ็ดนาทียี่สิบวินาทีอดสงสัยว่าหญิงผู้นั้นเห็นข้าพเจ้าในลักษณะใดากันแน่และเหตุใดข้าพเจ้าจึงหลงทางหลุดไปนั่งอยู่ในลักษณะอันพิกลเช่นนั้นได้เป็นอันว่าราวนี้ล้มแล้วอีกครั้งหนึ่ง วันที่29มิถุนายน1960ตอนเย็นอุณหภูมิเจองศาฟาเรนไฮน์หรือประมาณ21องศาเซลเซียสความชื้นปานกลางประดอดปานกลางวันนี้รู้สึกว่าเหนื่อยอาการสู้ซาอันเกิดจากการไหลเวียนของโลหิตเกิดขึ้นในขณะที่ร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เป็นระยะเวลาก่อนที่จะหลับ แต่ถ้าว่าจิตใจยังอยู่ในสภาวะตื่นอยู่ครั้งนี้ข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมด็อเตอร์แอนดริชพูฮาริชซึ่งอยู่หนที่แห่งใดแห่งหนึ่งในโมลรัฐแคลิฟอร์เนียในระยะแรกๆรู้สึกว่าความเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างสับสนจับทิศทางไม่ได้เลยต่อจากนั้นก็หยุดข้าพเจ้าเห็นคนสี่คนนั่งรอบโต๊ะตัวหนึ่งเป็นชายสามคน และเป็นเด็กอายุราว1ิเอขวบอีกหนึ่งคนแต่ก็เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ด็อร์ูฮาริสที่ข้าพเจ้าตั้งใจจะไปหาเลยข้าพเจ้าได้ถามเขาว่าที่นั้นคือที่ไหนตำบลอะไรในเมืองหรือมลรัฐอะไรแต่ก็ไม่มีใครตอบข้าพเจ้ารู้สึกว่าบุคคลเหล่านั้นมีความระแวงสงสัยอย่างไรชอบคนข้าพเจ้าได้ถามอีกครั้งเด็กคนนั้นทำท่าว่าจะหันมาตอบคำถาม แต่ชายคนหนึ่งในจำนวนนั้นสั่งห้ามว่าอย่าไปบอกเขาเห็นได้ชัดว่าเขามีความกลัวข้าพเจ้าด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งข้าพเจ้าได้ขออภัยในการที่ข้าพเจ้าออกจะตื่นเต้นไปสักหน่อยและได้อธิบายว่าข้าพเจ้ายังไหม่ตัวเรื่องนี้เช่นนี้ต่อจากนั้นก็หันกลับพราะคิดว่าไม่ต้องการจะอยู่รบกวนที่เขาลำบากใจและต่อมาก็ได้กลับเข้าร่างเดือเรียบร้อย การออกจากร่างไปครั้งนี้กินเวลา18นาทีสรุปผลครั้งนี้ก็คือได้ผลไม่เป็นที่พอใจเพราะไม่ได้พบผู้ที่ต้องการจะพบและเป็นอันว่าเกิดการหลงทิศทางอีกและที่น่าสงสัยอย่างยิ่งก็คือเหตุใดบุคคลเหล่านั้นจึงมีความกลัวข้าพเจ้าโดยไม่มีเหตุผล วันที่27พฤศจิกายน1962อุณหภูมิ40องศาฟาเรนไฮน์หรือประมาณ 4.4 องศาเซลเซียสความชื้นปานกลางประดอดปานกลางสภาพร่างกายได้รับการพักผ่อนดีเริ่มการออกโดยใช้แบบนับด้วยการผ่อนคลายต่อจากนั้นก็ใช้วิธีที่เรียกว่า p e o f คือการนอนค่อยๆพลิกตัวง่ายขึ้นอย่างช้าๆ แล้วก็กำหนดจิตออกจากร่างกายในท่านอนงายนั่นเองวิธีนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าจะเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลดีที่สุดเท่าที่ได้เคยลองกระทามาวิธีนี้ข้าพเจ้าเรียกว่าพีรอฟก็เพราะว่ามีอาการคล้ายๆกับว่าเป็นการปอกเปลือกชั้นนอกคือกายออกให้กายชั้นในหลุดออกมาได้ฉะ น, นั้นครางนี้ข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไปหาแอคนิวบาสัน และตั้งใจว่าจะไปอย่างช้าๆเพื่อจะได้ดูภูมิประเทศในระหว่างไปด้วยในขณะเดียวกันเทพเจ้าออกเดินทางอย่างช้าๆไปทางกำแพงด้านตะวันตกในขณะนั้นก็รู้สึกว่าได้ผ่านวัตถุของกำแพงที่ประกอบกันออกไปเป็นชั้นๆทุกชั้นต่อจากนั้นก็เข้าไปถึงห้องอีกห้องหนึ่งมีเครื่องประดับประดาตกแต่งบอกว่าเป็นห้องนั่งเล่น แล้วก็เข้าไปถึงห้องที่สามแล้วก็อีกห้องหนึ่งและตอนนี้ก็เพิ่มความเร็วในการเดินทางขึ้นเรื่อยเืพอมาถึงระยะนี้ก็ปรากฏว่ามองอะไรไม่ใครเห็นเส้อแล้วนอกจากเป็นแสงสีดำมัวมัวเป็นทางยาวในระหว่างนี้ข้าพเจ้ายังคงตั้งใจระลึกถึงมิสเตอร์บานสันอยู่ตลอดเวลาในที่สุดก็หยุดเมื่อเหลียวไปดูรอบๆก็ปรากฏว่ามันอยู่ในห้องขนาดกลาง ซึ่งเป็นห้องนอนมีคนอยู่สามคนด้วยกันด้านขวามือเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่มีผู้ใหญ่สองคนนอนอยู่บนเตียงนั้นและมีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุประมาณห้าหรือหกขวบนั่งอยู่บนพื้นข้างเตียงทางด้านซ้ายเด็กผู้หญิงคนนี้มองมาทางข้าพเจ้าขม็งและกล่าวออกมาว่าหนูรู้นะว่าคุณเป็นใครข้าพเจ้าค่อยๆหันหน้ามาทางเด็กหญิง เราไม่ต้องการจะให้แกตกใจแล้วก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นฉันเป็นใครละ่ะเด็กหญิงตอบว่าคุณเป็นกายทิพย์สลัดออกมาจากกายเนื้อน่ะสิ<อ>เธอพูดด้วยเสียงอันไม่ได้แสดงว่ามีความหวาดกลัวอะไรเลยอันที่จริงในประโยคนี้ข้าพเจ้าเองก็จำไม่ได้ชัดว่าเธอพูดคำว่ากายทิพย์ออกมาอย่างชัดเจนหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามคาที่เธอพูดนั้น ก็คงจะมีความหมายคล้ายๆกันในทนองนั่นเองแม้ว่าอาจจะไม่ใช่คำนั้นโดยเจาะจงก็ตามแต่ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าเราเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีข้าพเจ้าจึงถามเธอต่อไปว่าเธออยู่ที่ไหนและตอนนี้เป็นปีอะไรแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเธอจะตอบไม่ได้ข้าพเจ้าจึงหันไปยังสองคนที่นอนอยู่บนเตียงโดยพยายามอย่างที่สุด ที่จะไม่ให้เขากลัวหรือประมาแต่ก็รู้สึกว่าเขากำลังกลัวหรือประมาอยู่ทีเดียวเขาพเจ้าถามว่าตอนนี้เป็นปีอะไรแต่ก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะเข้าใจได้อีกเช่นเคยน่าสงสัยว่าในภูมิแห่งจิตเหนือสำนึกหรือซูเปอร์คอนชิเอแนสนี้ถ้าจะไม่มีการเวลาเสื่ละกะมังลองเพ่งจิตไปที่คนผู้ชายถามเขาอีกทีว่า เขาชื่ออะไรและอยู่ที่ไหนซึ่งเขาก็ตอบมาอย่างตะกุกตะกักเต็มทีเมื่อหมดอนทางจึงหันกลับออกไปมองทางด้านนอกบ้านเพื่อจะดูให้รู้แน่ว่าเป็นอาาเขตที่ไหนกันแน่เพราะถ้าขืนเศ้าซี้ถามต่อไปก็คงจะไม่ได้เรื่องข้าพระเจ้าเห็นหลังคาเล็กๆอยู่นอกหน้าต่างแบบที่เป็นหลังคาคลุมเฉลียงฉนั้นต่อออกไปก็เป็นถนน มีต้นไม้เป็นจำนวนมากและมีเกาะกลางถนนมีหญ้าขึ้นเต็มมีรถคันหนึ่งจอดอยู่ที่หัวมุมถนนเป็นรถเก๋งสีคล้ำๆตอนนี้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกว่าต้องการจะกลับมาเข้ากายเนื้อตามเดิมและได้หันกลับไปหาคนทั้งสาถามเขาว่าขาอยากจะเห็นข้าพเจ้าเหินขึ้นไปไหมเด็กผู้หญิงแสดงอาการว่าตื่นเต้นอยากจะเห็น ส่วนสองคนนั้นก็แสดงอาการโล่งใจว่าข้าพเจ้ากลับเสียได้ก็ดีต่อจากนั้นข้าพเจ้าจึงยืดแขนออกไปเบื้องหน้าในท่าพุ่งตัวแล้วก็พุ่งตัวเหินขึ้นทะลุเพดานกลับมาเข้าร่างโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรอีกเมื่อกลับมาเข้าร่างแล้วจึงได้รู้เหตุผลว่าทำไมจึงเกิดความรู้สึกต้องการจะกลับมาโดยด่วนสาเหตุก็คือรู้สึกคอแห้งผาก ซึ่งคงจะเกิดจากการหายใจทางปากก่อนจะออกจากกายเนื้อไปนั่นเองครั้งนี้ข้าพเจ้าใช้เวลาออกจากร่างไป42นาทีหลังจากนั้นข้าพเจ้าได้ลองตรวจสอบความจริงเกี่ยวกับสถานที่ดูโดยโทรศัพท์ไปหาครอบครัวที่กล่าวมาแล้วตามสถานที่ที่เขาได้บอกให้ข้าพเจ้าทราบเมื่อครู่นี้พร้อมกับนึกลังเลว่าจะลองไปเยี่ยมเยียนด้วยตนเองจะยิ่งดีไหม แต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะหาสาเหตุอะไรมาเป็นเครื่องง้างดีเพราะจู่ๆไปหาคนที่ไม่รู้จักกันด้วยทางกายเนื้อมาก่อนเลยนั้นดูท่ามันก็ไม่ค่อยจะเข้าทีนักจากตัวอย่างของเหตุการณ์ที่ได้กล่าวมานี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าการทดสอบแบบนี้จะต้องมีผู้ร่วมงานในฐานะ เป็นผู้ถูกทดสอบกันเป็นจำนวนมากกว่านี้การที่จะให้นักวิทยาศาสตร์และนักจิตศาสตร์เป็นจำนวนมากๆมารุมกันตรวจสอบคนคนเดียวนั้นน่ากลัวจะได้ผลยากเต็มทีที่น่าสังเกตก็คือในระยะของการที่ยังบังคับตนคือหมายถึงจิตของตนไม่ได้นี้จะต้องมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอเช่จนจะต้องมีการหลุด หรือลงทางไปยังสถานที่หรือไปหาบุคคลที่เราไม่ได้ตั้งใจนึกถึงหรือไม่เคยรู้จักมาเลยได้เสมอเสมอในกรณีดังกล่าวนี้ควรจะมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดและให้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับบุคคลที่เราได้ไปพบเห็นมาโดยไม่ได้ตั้งใจนั้นด้วยคือควรถามเข้าวิรู้แน่นอนว่าในระหว่างนั้นของวันนั้นเขาเห็นอะไรหรือว่ามีความรู้สึกอย่างไร แต่เรื่องเช่นนี้ก็เกิดปัญหาที่แก้ยากขึ้นมาอีกข้อหนึ่งคือโดยมากเราก็ไม่ค่อยจะทราบได้เหมือนกันว่าบุคคลนั้นเป็นใครหรือว่าอยู่ที่ไหนกรณีที่พอจะทราบได้บ้างก็คือกรณีที่กล่าวมาแล้วในตัวอย่างหลังข้างตน้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่นานเหลือเกินจึงจะได้ข้อมูลอย่างนั้นมาสักครั้งหนึ่งนอกจากนั้น ยังมีความจริงที่แปลกประหลาดน่าสนใจอีกประการหนึ่งในระหว่างการเดินทางไปเห็นสิ่งต่างๆในโลกนี้แต่เป็นสถานที่ที่อยู่แห่งอื่นๆไกลออกไปความจริงข้อนี้คือว่าส่วนมากทีเดียวภาพที่เห็นมักจะเป็นเพียงภาพขาวดำเท่านั้นเองไม่ค่อยจะเป็นภาพสีธรรมชาติเลยทั้งนี้ส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ว่าภาพนั้นจะอยู่ในแสงสว่างสีใดก็ตาม ก็จะเป็นแสงแดดหรือแสงไฟสีอะไรก็ตามมักจะเป็นคล้ายคลยกับภาพยนต์ขาวดำเท่านั้นและโดยเฉพาะยิง่งยิ่งถ้าบังเอิญที่ใดเกิดมีแสงสว่างสองจ้ามากเกินไปก็มักจะทาให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้เหมือนกันเช่นถ้ามีแสงสว่างมากๆส่องมาทางด้านหลังของบุคคลที่มีผมดำอาจจะทำให้เราเห็นว่าผู้นั้นมีผมสีทองไปก็เป็นได้ตัวอย่างมีดังเรื่องต่อไปนี้ มาเหตุผู้อ่านสำหรับการมองเห็นในโลกทิพนั้นจะมองเห็นอะไรได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับความประณีตของจิตหรืออำนาจจิตด้วยนะครับโดยที่ผู้มีคุณธรรมสูงหรือผู้ที่ฝึกสมาธิจนได้ชาญสมาบัติขั้นต่างๆนั้นก็จะเห็นได้ละเอียดแตกต่างกันไปวันที่หพฤษภาคม 1961นอุณหภูมิ60องศาฟาเรนไฮน์หรือประมาณ 15.5 องศาเซลเซียสความชื้นสูงประหลอดปานกลางสภาพร่างกายปกติในคำว่าประลอดปานกลางนั้นหมายถึงการวัดไข้นะครับหลังจากอาหารเย็นแล้วในตอนค่ำข้าพเจ้าตกลงใจจะไปหา uh ich, ด็อเตอร์ฟูฮาริชโดยใช้วิธีการหายใจเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด ในที่สุดหลังจากใช้วิธี reach out ซึ่งจะอธิบายในบทที่16ก็สามารถทำให้เกิดอาการสู้ซ่าหรือสันสะเทือนขึ้นได้พยายามเพ่งจิตไปถึงด็อกเตอร์ปูฮารชอยู่พักหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวลอยออกมาได้มีการเดินทางอยู่ชั่วพักหนึ่งก็มาหยุดอยู่ในห้องแห่งหนึ่งในห้องมีโต๊ะแคบๆยาวตัวหนึ่งเก้าอี้หลายตัวและหิ้งหนังสือหลายหิ้งด้วยกัน มีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะกำลังเขียนหนังสืออยู่ดูท่าทางโดยทั่วไปชายคนนี้ก็คล้ายๆกับจะเป็นดอเตอร์ปูฮาริสมากแต่ผิดกันที่มีผมสีทองหรือสีอ่อนมากไปข้าพเจ้ารองทักเขาซึ่งปรากฏว่าเขาเงยหน้ามายิ้มด้วยแล้วก็กล่าวว่าเขาจะพยายามหาเวลาช่วยเหลือตามโครงการของข้าพเจ้าให้มากขึ้นในระยะต่อไปแต่ในตอนนี้ต้องขออภัยที่กำลังมีงานยุ่งมาก จึงหาเวลาช่วยเหลือไม่ค่อยได้ข้าพเจ้าได้กล่าวตอบว่าเข้าใจดีและทันใดนั้นก็รู้สึกว่าเกิดอาการไม่ค่อยสบายบางอย่างคิดว่าจําเป็นจะต้องกลับเสียแล้วจึงบอกเขาว่ามีธุระจะต้องรีบกลับก่อนซึ่งเขาก็ตอบว่าเขาเห็นใจที่ข้าพเจ้าต้องระมัดระวังมากต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็กลับมาเข้าร่างโดยทันที ก็ได้รู้ว่าที่เกิดอาการไม่สบายนั้นก็เพราะว่าร่างกายของข้าพเจ้านอนอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะคือเป็นการนอนตะแคงทับแขนขวาไว้ทําให้เลือดลมเดินไม่สะดวกนั่นเองจากการทดสอบกับดรภูฮาริชปรากฏว่าสถานที่ที่ข้าพเจ้าเห็นคราวนี้เป็นการถูกต้องคือเป็นห้องทํางานของดรภูฮาริชจริงและกิริยาท่าทางของเขาในตอนนั้นก็นับได้ว่ามีส่วนถูก แต่ที่น่าประหลาดยิ่งขึ้นก็คือเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าข้าพเจ้าไปเยี่ยมเขาในตอนนั้นเลยซึ่งก็หมายความว่าเขาไม่ได้พูดอะไรกับข้าพเจ้าเลยด้วยน่าสงสัยว่าเรื่องนี้เป็นไปได้อย่างไรส่วนการที่ผมของดรูฮาลิสกลายเป็นสีทองหรือสีอ่อนไปได้นั้นข้าพเจ้าคิดว่าอาจจะเป็นเพราะแสงไฟเหนือศีรษะของเขาสว่างมากก็ได้ แสงสะท้อนของมันเลยทําให้ข้าพเจ้ามองเห็นเป็นสีอ่อนหรือสีทองไปได้เรื่องนี้ทําให้เกิดเป็นปัญหามากยากที่จะหาเหตุผลได้อันที่จริงดร์ูฮาลิชก็รู้อยู่เหมือนกันว่าข้าพเจ้ากําลังทําการทดลองเรื่องนี้อยู่และในเมื่อรายการอื่นๆก็ลงรอยกันได้หมดแล้วแต่ทําไมการสนทนาระหว่างเราในตอนนั้นจึงเกิดไม่ตรงกันขึ้นมาได้ รทาทั้งๆที่ข้าพเจ้าก็รู้อยู่ว่าได้มีการสนทนาการเกิดขึ้นระหว่างเราทั้งสองฝ่ายแต่ด็อกเตอร์ูฮาลิชก็กล่าวกล่าวว่าเขาไม่รู้เรื่องการสนทนานั้นเลยเรื่องเช่นนี้เคยเกิดขึ้นในกรณีอื่นๆอีกหลายครั้งเหมือนกันคือไม่ได้เกิดขึ้นในกรณีนี้เรื่องเดียวถึงทำให้เกิดการสันนิษฐานจากบางคนว่าข้าพเจ้าคงจะเพอ้อฝันไปเองซสมากกว่า ส่วนรายละเอียดอื่นๆที่ตรงกันได้นั้นก็คงจะเกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึกของข้าพเจ้าสร้างขึ้นมาเองโดยไม่รู้สึกตัวข้อสันนิษฐานดังกล่าวนี้ในบางกรณีก็อาจฟังได้เหมือนกันแต่ในบางกรณีก็ใช้ไม่ได้ในเมื่อพิจารณาถึงเหตุประกอบแวดล้อมอย่างอื่นๆด้วยข้อลำบากของการเดินทางไปในที่อื่นในโลกนี้ดังกล่าวมาแล้วนั้น มีอีกประการหนึ่งคือเรื่องเวลาโดยปกติเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับข้าพเจ้าที่จะทำการทดลองมักจะเป็นตอนดึกมากเพราะสามารถทำได้สะดวกโดยที่จิตใจสงบไม่ต้องใช้ความพยายามมากแต่แล้วกลับเป็นความไม่สะดวกในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้อื่นเพราะในเวลาเช่นนั้นทุกคนก็กําลังนอนหลับกันทั้งนั้นเมื่อข้าพเจ้าไปหาใครในตอนนั้น ก็เป็นอันรู้ล่วงหน้าได้ว่าส่วนมากก็คงกำลังนอนหลับกันนั่นเองและเมื่อเป็นเช่นนั้นหลักฐานที่จะนำมาอ้างอิงประกอบก็จะมีน้ำหนักน้อยมากเพราะใครๆก็รู้ว่าตอนนั้นไม่ว่าใครๆก็ต้องนอนหลับกันทุกคนที่นี้ถึงแม้ว่าบางคราวจะได้พยายามทดลองกันในตอนกลางวันได้ก็ยังมีความลำบากอยู่อีกเหมือนกันคือโดยปกติ จะไม่มีการบอกล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบและเมื่อเป็นเช่นนั้นฝ่ายนั้นก็ทำงานไปตามปกติธรรมดาซึ่งต่อมาเขาเองก็นึกไม่ออกเสียแล้วว่าในวันนั้นและเวลานั้นตนกำลังทำอะไรอยู่พยายามระลึกย้อนหลังไปส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ผลละเอียดถี่้วนนักเพราะตามปกติเราทุกคนก็ไม่ได้ตั้งสติควบคุมตนอยู่ตลอดเวลาว่าในวันนั้น และเวลานั้นกำลังทำอะไรอยู่ลองพิสูจน์เรื่องนี้ดูเกี่ยวกับตัวของท่านเองก็ได้ว่าในวันนั้นเวลานั้นซึ่งไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเป็นพิเศษนั้นท่านกำลังทำอะไรอยู่และท่านก็จะทราบได้ว่าส่วนมากจะนึกไม่ออกหรือถึงจะนึกได้บ้างก็เป็นเพียงคร่าวๆเท่านั้นจะให้ละเอียดละอถึงกับเป็นเรื่องประกอบการพิสูจน์การจริงๆก็คงจะเป็นการยากมาก ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ข้าพเจ้าจึงขอเสนอความยากลำบากดังกล่าวนี้ให้ไว้เป็นข้อคิดสําหรับผู้ที่จะทําการทดลองในเรื่องนี้เช่นนี้เพราะถ้ายังไม่มีการพิสูจน์เรื่องเช่นนี้กันอย่างขาวสะอาดและหลายครั้งติดต่อกันแล้วก็เป็นการยากที่จะให้ผู้อื่นปักใจเชื่อได้อย่างสนิทแล้วเรื่องเช่นนี้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องลึกลับกินหน้าหัวร้อยยาะสาหรับผู้ที่ไม่ยอมเชื่ออยู่ตลอดไป ต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอเสนอการทดลองอีกครั้งซึ่งได้กระทาที่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ EEG ของโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยที่สำคัญแห่งหนึ่งชื่อการทดลอง EEG 5วันที่19กรกฎาคม1966ข้าพเจ้ามาถึงสถานที่ทดลอง เมื่อเวลา21นาฬิกาโดยขับรถมาจากริชมอนเป็นระยะทางเจ็สิบไมล์ไม่มีอาการเหนื่ อ, 네อยๆทางร่างกายอย่างใดเพราะในวันนั้นได้หลับพักผ่อนมาก่อนแล้วตอน13นาฬิกาเป็นแต่ว่าในวันนี้ข้าพเจ้ามีงานทำยุ่งตลอดวันตั้งแต่6นาฬกาสสนาทีเป็นต้นมา21นาฬกาสนาทีหญิงช่างเทคนิคของห้องทดลองวิทยาศาสตร์ได้นำเอาอิเล็กโทรต่างๆ มาติดปะตามตัวข้าพเจ้ายุ่งไปหมดข้าพเจ้านอนเอ็นหลังลงบนเตียงในห้องที่มีแสงสว่างสลัวส ล, วสลวโดยไม่ได้สวมเสื้อแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะสบายนักโดยเฉพาะส่วนศีรษะซึ่งต้องบีบกับหมอนเพราะอิเล็กโทรที่ปะติดอยู่กับหูทั้งสองข้างซึ่งจะนอนพลิกทางไหนก็ไม่ค่อยจะสบายพอๆกันข้าพเจ้าพยายามจะให้การผ่อนคลายเป็นไปตามปกติแต่ก็รู้สึกว่าไม่สำเร็จ พยายามใช้วิธีกำหนดนับรู้สึกว่ามีอาการใจลอยเผลอสติไปบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเช่นที่เคยจึงต้องเริ่มต้นใหม่พยายามอยู่ห้าบห้านาทีก็ไม่สำเร็จรู้สึกว่าไม่ได้รับการพักผ่อนเต็มที่จึงคิดว่าจะต้องหยุดพักก่อนข้าพเจ้าเอ็นกายลุกขึ้นนั่งในท่าเครึ่งนั่งครึ่งนอนและบอกให้หญิงช่างเทคนิคทราบ ข้าพเจ้าจุดบุหรีสูปสนทนากับช่างเทคนิคประมาณ 5-8 นาทีและแล้วก็คิดว่าจะลองทำให้อีกต่อมาข้าพเจ้าได้หาทางทําให้เกิดความผ่อนคลายจากความกดดันของอิเล็กโทรที่หูโดยได้ผลบ้างเล็กน้อยต่อจากนั้นก็ได้ลองวิธีถอดกายโดยแบบนั้นบ้างแบบนี้บ้างสุดท้ายก็โดยใช้วิธีหมุนตัวออกบังเกิดอาการหมุนตัวขึ้นมา ซึ่งในตอนแรกก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวที่หมุนนั้นจะเป็นตัวเนื้อหยาบหรือว่าตัวละเอียดชั้นที่สองกันแน่ต่อเมื่อตัวที่หมุนนั้นหลุดลงจากขอบเตียงแต่ไม่ปรากฏว่ากระทบพื้นห้องนั่นเองทิศข้าพเจ้าแน่ใจว่าตัวละเอียดซึ่งเป็นตัวชั้นที่สองได้หลุดออกมาแล้วต่อจากนั้นก็ได้เคลื่อนไหวออกมาจากกายเนื้อแล้วก็มาพบชายสองคนและหญิงคนหนึ่ง ในห้องซึ่งมีแสงสลัวสลวการเห็นครั้งนี้รู้สึกว่าจะไม่ชัดเจนนักข้าพเจ้าจึงเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้เพื่อจะดูให้เห็นชัดขึ้นหญิงผู้นั้นเป็นคนร่างสูงผมสีคล้ำอายุประมาณสี่สิบปีกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้เอนทางด้านขวาของหญิงผู้นี้มีชายผู้หนึ่งนั่งอยู่และตรงหน้าเยื้องไปทางซ้ายเล็กน้อยมีชายอีกคนหนึ่งทั้งสามคนนี้ ข้าพเจ้ามีเคยรู้จักมาก่อนเลยและการสนทนาของเขาข้าพเจ้าก็ยังฟังไม่ได้ยินถนัดพยายามตั้งใจฟังก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะได้ยินในที่สุดจึงเข้าไปใกล้และลองหยิกเบาๆที่สีข้างของหญิงผู้นั้นรู้สึกคล้ายๆกับว่าผู้หญิงผู้นั้นจะแสดงอาการรู้สึกตัวบ้างแต่ก็ยังติดพูดจากันไม่ได้ผล ข้าพเจ้าจึงตกลงใจว่าจะต้องกลับไปเข้าร่างเพื่อเริ่มต้นใหม่การกลับเข้าร่างไม่มีปัญหาอะไรข้าพเจ้าลืมตาขึ้นกลืนน้ำลายเพื่อแก้คอแห้งแล้วก็คิดว่าจะลองอีกทีโดยใช้วิธีกลิ้งตัวออกทั้งด้านข้างแบบเดิมจากนั้นก็รู้สึกว่าได้ลอยออกมาได้ช้าๆและในระหว่างนั้นก็รู้สึกว่าร่างกายละเอียดของตนลอยผ่านทะลุเส้นลวดสายไฟ EEG ได้โดยไม่ติดขัดแต่อย่างใดเมื่อลอยลงมาถึงพื้นห้องก็เห็นแสงไฟลอดออกไปนอกห้อง EEG ด้วยความพยายามที่จะไม่ให้เกิดการหลงทางอีกข้าพเจ้าจึงค่อยๆเคลื่อนตัวขนานไปกลับห้องช้าๆพร้อมกับมองหาช่างเทคนิคที่อยู่ในห้องนั้นแต่ก็ไม่พบจึงออกไปด้านนอกห้องและได้เข้าไปในห้องซึ่งมีแสงสว่างจ้า เมื่อมองออกไปรอบๆก็ได้เห็นเธอคือช่างเทคนิคอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ทางด้านซ้ายของเธอส่วนตัวเธอนั้นอันหน้ามาทางข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะหาทางให้เธอมาสนใจข้าพเจ้าซึ่งก็รู้สึกว่าได้ผลเกือบทันทีคือปรากฏว่าเธอมีอาการตื่นเต้นและตรงเข้ามากอดข้าพเจ้าไว้อย่างมีความสุขมากข้าพเจ้ากอดเธอตอบ แล้รู้สึกว่ามีความรู้สึกทั้งเพศเกิดขึ้นมาเล็กน้อยซึ่งทำให้เกือบจะสะกดใจไม่ได้เหมือนกันต่อมาข้าพเจ้าได้คลายวงแขนออกและเอามือรูปแก้มทั้งสองข้างของเธอพร้อมกับกล่าวขอบใจในความช่วยเหลือที่เธอได้ให้แก่ข้าพเจ้าซึ่งในตอนนั้นข้าพเจ้ามีความตื่นเต้นไม่น้อยที่ได้ทาการถอดกายหรือว่าจิตออกมาได้เป็นผลสาเร็จโดยไม่หลงทางเหมือนกับครั้งอื่น ข้าพเจ้าหันไปทางชายผู้นั้นก็เห็นว่าเขาเป็นคนร่างสูงใกล้เคียงกับเธอมีผมลอนปกหน้าผากเป็นบางส่วนข้าพเจ้าทำให้เขารู้สึกตัวเกี่ยวกับข้าพเจ้าแต่ก็ไม่ได้ผลต่อจากนั้นหันมาลองยิกเธอดูอีกเบาๆแต่ก็ไม่ปรากฏว่าได้ผลอีกขณะนั้นก็รู้สึกว่ามีอะไรเรียกร้องให้กลับมาเข้าร่างกายเนื้อจึงต้องรีบกลับก็พบว่าสาเหตุนั้น คืออาการคอแห้งและหูปวดตุบๆนั่นเองเมื่อลืมตาขึ้นและลุกขึ้นนั่งแล้วข้าพเจ้าก็เรียกช่างเทคนิคเข้ามาและได้บอกว่าข้าพเจ้าได้สำเร็จแล้วโดยได้พบเธอกับชายคนหนึ่งอยู่ที่นอกห้องเธอได้ตอบว่าเป็นความจริงและชายคนนั้นก็คือสามีของเธอเองผู้ซึ่งได้มาอยู่คอยเป็นเพื่อนเธอในขณะที่เธอต้องอยู่ทางานในตอนดึก แล้วเรื่องนี้เป็นนโยบายที่จะไม่ให้ข้าพเจ้าทราบก่อนเลยดังนั้นจึงไม่ได้มีการบอกให้ข้าพเจ้าทราบเสียก่อนต่อจากนั้นเธอได้เอาเครื่องอิเล็กโตรดออกจากตัวข้าพเจ้าและพาออกไปพบกับสามีเขาเป็นคนที่มีรูปร่างลักษณะตรงกันกับที่ข้าพเจ้าเห็นด้วยการที่สองจริงแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถามคนทั้งสองว่าเขาได้เห็นหรือรู้สึกอะไรบ้างหรือเปล่า แต่ข้าพเจ้าได้รู้สึกเองว่าในตอนนั้นเธอได้อยู่ในห้องอีกห้องหนึ่งคือคงไม่ใช่ห้องที่เธอนำข้าพเจ้าออกไปพบเขาในตอนหลังแต่เรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากหลักฐานที่จะเป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างดีก็คงจะเป็นการที่สามีของเธอมาอยู่ด้วยนั่นเองเพราะข้าพเจ้ามันได้ทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยแต่ก็สามารถเห็นภาพนั้นนอกห้องอย่างถูกต้อง ต่อมาช่างเทคนิคได้ทำราย ง, งานเสนอต่อดรทาร์โดยยืนยันว่าในระหว่างที่ข้าพเจ้าทำการถอดจิตสำเร็จนั้นเธอยือนนอกห้องทดลองกับสามีจริงๆพร้อมทั้งได้ระบุ ด, ด้วยว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยดรทาร์ art, ได้วิจารณ์เรื่องนี้ว่าการทดลอง EEG ครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดว่าในระหว่างการถอดจิต ท, ที่เกิดขึ้นนั้น ได้มีประสบการณ์ของการที่สองเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนและพิสูจน์ได้พอสมควรเหมือนกัน